เอา่อฟังไว้กัเป็ดีด้วยพระแก่บนแล้ว <c oughs> มี <c oughs> อะไรอยากถาม บบก็เครียรเรื่องที่ที่แบบปัญหาใหม่มาน้<อ>เป็นคนโน<อ>้โ<อ>เป็นคนที่มีเรื่องเก็บกดกับแม่เยอะหนูเข้าใจวค่ะว่าทุกเรื่องที่มีปัญหาชีวิตตอนนี้คือเก็บมาจากความรู้สึกเก่าๆแล้วก็มามันหมดไปแล้วไม่มีเหลือไม่มีเหลือสักนิดเลย เพียงแต่ว่าเราจะไปพื้นกลับมาหรือไม่ถ้าไปพื้นกลับมามันก็จะเป็นแบบหลายคนเนี่ยเขาเรียกวก่าชอบทาร้ายตัวเองโดยถูกกระทํา่าอะไรก็แล้วแต่ถูกว่าถูกดา่าถูกบน่นแล้วก็ถูกเก็บกดถูกคาดหวังเรา แ, แย่ๆนี่เราก็กลายเป็นว่าถูกกระทา ในทางพระศาสนาท่านสอนเนี่ว่าเราต้องเป็นผู้กระทำเราต้องเป็นผู้กระทำไม่ใช่ให้เขามาะทำใ ห, ให้ให้ทุกกระทําที่ใจเราแต่เราต้องใช้ปัญญาไปกระทําตัวทุกเข้าไปวิจัยแย ก, แ ย, กแย่กันหรือว่ามาจากอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันหลายหลายคนนี่ ทุกระดับในโลกใบนี้เจอปัญหาก็ไประบายออกทำงานอย่า ง, จ, งจริงข้างในเต๊บไปหมดปุุงแต่งทุกข์มา ห, หาเนืาาน้อถามให้แยกเนะี่ยระหว่างความเห็นกับความรู้ไอ้ความเห็นก็ไปยึดไอ้ความจริงมันไม่มีอยู่แต่อย่างเงี้ย ที่นั่งคุยกันมันก็เป็นเอประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะให้มองนะทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญาแต่หนูมักเอาใจไปรับทุกยุ่งเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเอาใจไปรับทุ ก, ทกขังปรินเยยยังเนี่ยทุกเนี่ยเป็นกิจเป็นหน้าที่ของปัญญารู้ไม่ใช่เรื่องเอาใจก็ไปรับนี่หนูเอาใจก็ไปรับทุกมันก็กดดันบีบครับ เ, ออเวลาทุกมาแลปัญญามันเกิดโลม่กลับได้ประโยชน์เลยราะประโยชน์จากมันในในวิกฤตในปัญหาทุกปัญหามันกลับกลายเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้หมดเลยในพระศาสนาสอนไม่ให้กลัวต่อทุกหรือไม่กลัวต่อปัญหาไปเชิญมันมาเลย วางท่าทีทางใจให้แข็งแรงใช้ปัญญาเขาไปวิจัยแยกแยะเอาประโยชน์จากมันเลยในไดนพระาศาสนา ท, ทำอย่างี้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพระเนี่ยไปเดินจงกรมอยู่ปฏิบัติอยู่แล้วไปเหยียบเข้าไปในกับดักข้างในพานในทานเขาทำยา่าข้างล่างเป็นเป็นไม้แหลมแหลมแ สักมาเดินเดินมาสัยจตกลงไปเสียหท่านก็เหยียบเข้าไปเลยอออหัวเท้าทะลุเลยท่านก็ค่อยๆดึงเดินขึ้นมาก็ไปก็ทานเรือยเดินไม่ได้ท่านก็คานในชะ้หัวเข่าคานคานคานปัญหาไม่เนี่ยเป็นปัญหาไหมเท้าทะลุเนี่ยเป็นปัญหาเนะี่ยแล้วไปไปมาก็ ไอในพานก็ดนสุ่มสุ่มมาก็นึกว่าเนื้อไงนึกว่าสัตว์ป่าก็เอาห อ, อกในยุคนั้นนะ่ะทุง่งปึกทะลุเลยอ่ะเออทะลุแล้วเออเอาคนเลยอาตมาเองเดินจมกรมยุคโอ้โหกาบขอโทษด้วยขอโทษไม่เป็นไรไม่เจตนะไม่เป็นไรว่าช่วยถอดออกน้อยถอดถอด ถอดออกเอาหญ้ามาหน่อยทีอุดววะอุดอุดอุดย่ให้เลือดมันไหลช่วยประคองอาตมาน่อยพอไ <c oughs> ปเสร็จปุ๊รีบไปเยอะอาตมาจะทำความเพียรเวลานี้ดีที่สุดแล้วเห็นไหมไม่บาปอะไรหรอกไม่ได้เจตนาแล้วก็พิจารณาความดีที่ตนเองทำมาทั้งหมดพอ <c oughs> พิจารณาไปเสร็จปุบพอใจเป็นกุศลพุบ คมทุกขเวทนาได้เข้าสมาธิเดินปัญญายานได้บรรลุก่อนตายเนี่ยในพระศาสนาเนี่ยสอนว่าวิกฤตของชีวิตเนี่ยหาช่องโอกาสให้ได้แสดงว่าบุญจะมาช่วงนั้นแหละโอกาสสูงสุดของชีวิตต้องเจอปัญหาเยอะๆเนี้ยเห็นไหมมันกลับกลายเป็นโอกาสเลยถ้าไม่สอนนิ่งดูได้เลยนะกลับหาโหรีบควยคว้าเอาประโยชน์จากมันเลย ไม่ว่าจะเห็นอันนี้ทุกภายในตัวแท้ๆไม่ต้องพุดถคนอื่นว่าเนะยมันคนละเรื่องเลยนะถ้าคนอื่นว่านี่กระจอกมากเลยก <c oughs> ระจอกมากเลยมันนอกตัวเราจะรับมาก็ได้ไม่รับมาก็ได้โง่ก็รับมาถ้าเราโง่หน่อยก็เที่ยวดูดทุกคนอื่นมาใส่อราคนนั้นเป็นทุกข์กดดึงมาใส่ใจเราคนนั้นเป็นทุกข์กดดึงเออเที่ยวไปดูดเอาทุกนอกตัวมาใส่ไว้ในตัวนี่โง่นะไม่ฉลาดนะ พี่เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพี่เจ้าสอนบอกว่าเอาทุกควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ควรแยกแยะใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะให้เห็นความจริงของทุกไม่ใช่ไปไปกลัวต่อทุกเห็มไหมสอนไม่ให้กลัวนะแต่ให้ไปเห็นความจริงกับทุก มองเห็นไว้แล้วสอนให้ไปเห็นความจริงไม่ใช่ไปกลัวต่วทุกอย่างไม่ทไม้ปเปิดยังไงครับมีปัญหาที่ไหนครับไมเปิดทั้งคู่เลยเหรอครับเดี๋ยวเปอัเดียก่อนเปิอนเดียวก่อน ไม่ต้องไปเปิดแรงเนาะมันวิ่งไม่ลมมันไม่เสมอเลยใช่ไหมลมเดี๋ยวเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวมันก็เบาเดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวมันก็เบาอ๋อไมไม่ใช่จริงาตาเหมือนกันไม่ได้ทำอะไรแค่เปิด การจะพักนรจะได้เปลี่ยนเข้าใจยังทุกข์ควรทุกข์เป็นเรื่องของใจหรือเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของใจแต่หนูชอบเอาใจไปรับอะไรแห ม, นมหนูก็เลยเป็นดุทุกข์ออกมามแล้วหนูก็เลยมาเป็นทุกข์เลย มันต้องใช้ความสามารถมากนะที่สามารถไปดูดทุกข้างนอกเพื่อใส่ตัวเองเนี่ยถ้าถ้าไม่มีความสามารถทำไม่ได้สุนัขทำไม่ได้สุนัขทาไม่ได้สุนัขไม่สามารถจะเอาทุกคนอื่นเพื่อใส่ใจเใปจ็นได้เนี่ยเออมันทำไม่ได้ความสามารถไม่ถึงมนุษย์เราเนี่ยปรุงแต่งทุกเก่งที่สุดแล้วปรุงจนเป็นบ้าก็มีเนี่ย น, นี่คือความสามารถของมนุษย์ซึ่ง ซ, ซ, ซึ่งสัตว์ประหาดฉันทำไม่ได้ทีนี้ถ้าปรุงแต่งทกได้หนูลองมองตรงกงันข้ามดีการปรุงแต่งสุขต้องได้ไหมไ ด, ได้เลยไหมมันอยู่ที่การปรุงแต่งทั้งหมดคือเรื่องปรุงแต่งหมดเลยระดับด้านจิตใจเนะี่ยคือการปรุงแต่งใช้สัญญาคือความจําหนูจําเรื่องไม่ดีมาเขาดา่าเขาว่าเขาตําหนินั่นเอาสัญญานั้นมาปรุงแต่ง ใจให้เป็นทุกข์เพราะสัญญามันมันเป็นตัวปรุงแต่งเองอาเวทนาความรู้สึกไม่พอใจเอาสัญญาคือความจำมามาปรุงแต่งต่อก็ขยายเพิ่มปริมาณทุกข์ขึ้นนี่หนูปรุงแต่งทุกเก่งมากเลยปรงแต่งเฮ่ปรุงแต่งเก่งเลยปึ๊กป๊ป๊ก๊กโอ้โหทาให้จากน้อยๆเนี่ยนหนูจะหนูสามารถปรุงแต่งให้มันเครียดเครียดเคดเรเก่งมากนี่ศักยภาพล้วน แต่เชื่อไหมว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถปรุงแต่งสุขได้ด้วยหนูสามารถปรุงแต่งให้เป็นปลาโมดก็ได้ปีติก็ได้สงบก็ได้สุขสมมนัสล่าเริงเบิกบานให้มันโอ้โหอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้ถ้าเก่ยงยิงปรุงแต่งเนี่ยฉันฉันเป็นคนปรุงแต่งสุขได้เก่งเวลาทุกเวลาโลกมันเบียดเบียนเปียเสร็จปุ๊บฉันมีความสุข พวงแต่งจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําจิตให้โปร่งเบาหายใจออกนี้ฉันหายใจเข้าหายใจออกฉันมีความสุขเหมือนไงดีใจโอ้เราได้ทําสิ่งดีดีดีใจเราได้ให้ทานดีใจเราได้รักษาศีลดีใจเราได้สาธยายสวดมนต์ดีใจเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นโอ้ดีใจมากปีติเกิด โอ้ยบุญอลังการละมากได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ถึงพระธรรมได้ถึงพระสงฆ์ได้รู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าโอ้โหมันขึ้นปุ๊บมีความสุขมากเลยเสียงด่าฉันก็มีความสุขแม่เสียงด่านี่มีมีคนเขาด่าเพราะว่าฉันมันรู้สึกโอฉันสุขใจสุขใจว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาด่าโห้ฉันมีความสุขมากจริง โอ้ยดีนาะเราไม่เคยทําชั่วเลยเกิดมาความสุขแล้วเกิดเนี่ยโอ้หจิตหลัมั่นคงอยู่กับพระราตนณไตรโอเขาไม่รู้เขาดา่าเขาอยากให้เขาเดือดร้อนเลยเนี่ยขอให้เขาสมหวังขอให้เขาปลอดภยัยให้ชีวิตเขาเขาปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปีติเกิดขึ้นมาเห็นไหมแดดออกฉันก็มีความสุขบอกโอ้พอเดินไปกลางแดดไปเสร็จปุ๊บโอ้โหฉันนึกยังไงรู้ไหม อ เ, อเวจีมันร้อนกว่านี้นะโอ้โหนี่ร้อนเพียงแค่นี้เองโอ้โหเนี่ยเราต้องรีบขนขวายเจริญกุศลเราเคยไปเจ็บปวดใน เ, เวจีมาแล้วแต่ตอนนี้เรามันร้อนนิดเดียวเองอย่าขนั้นเลยเราจะไม่จิตเรานี่ออกจากกุศลความดีแต่ขาดยิ่งเพิ่มโอ้มีความสุขเมื่อฉันเห็นอะไรต่างๆฉันฉันฉนคิดให้เป็นความสุขได้หมดเลย <c oughs> เออยันเป็นอย่างนี้ ฉันเห็นเขาทุกข์ฉันก็สุขเองฉันเห็นหนูทุกข์เลยฉันมีความสุขเลยสุขตรงนี้โอ้โหเราออกจากมันได้แล้วเราไม่ต้องไปจมอยู่ตรงนั้นโอ้เนี่ยเห็นไหมเที่ยวไปกอดรัดปัดเหวี่ยงกับทุกข์พันเนาพันนอกระทุกข์อ้อยอิงกระทุกข์ทั้งๆที่มันเป็นความไม่ดีทําไมไม่ทิ้งไปเร็วๆโอ้ไม่ฉลาดเลยเนาะถ้าเราจะรีบทิ้งเลยเราจะไม่เอาไว้เด็่ยขาดทีฉันคิดเนี่ยนะ เรื่องอะไรแต่สิ่งไม่ดีเนี่ยทีรีบขจัดออกอย่างเร็วที่สุดเนี่รีบแล้วอย่างเร็วที่สุดด้วยฉันจะไม่อ้อยอิงจะไม่พเนาพนอกับมันเด็ดขาดจะไม่พเนาพนอกับความทุกข์จะไม่พเนาพนอกับกิเลสจะไม่พเนาพนอกับบาปฉันจะสลัดมันโดยง่ายสลัดโดยเร็วไอ้ความเห็นผิดๆทั้งหลายจะรีบทิ้งอย่างรวดเร็วฉันจะไม่อยู่กับมันเด็ดขาดเพราะมันทําให้ฉันเป็นทุกข์เออฉันไม่อยู่ฉันจะไม่เอาของสกปรกทานหน้าตัวเอง อย่างโกรธเนี่ยมันมันเอากิเลสแต่ละตัวมันสกปรกเนี่ยมันไม่สะอาดเรื่องอะไรฉันจะไปต้องไปไปทุกข์กับมันออาฉันคิดผิดไหมไม่ผิดเพราะอะไรฉันไม่ผิดฉันคิดตามความเป็นจริงไหมเห็นไหมมันมีวิธีเยอะแยะหมดเลยคิดได้ทุกเรื่องเลยอย่างนั้นป่วยนอนเกิดกลัวอุจจาระอยู่ ลุกไม่ได้เลยฉันก็นึกใจใจเออมันนิ่มดีนะเย็ยนดีด้วยถ่ายออกมาถ่ายอุจจาระปัสสาวมาันเออดึงลุกไม่ได้พืออ่อเราจะประโยชน์จากมันยังไงโอ้เวลาอุจจาระอยู่ในลำไส้ทำาไรเราไม่ทำไมเราไม่ไ ม, ไ, มไม่สะอิดสะเอียน ม, นมพอมันทาท่าออกมาข้างนอกมันอยู่ในลำไส้นะหนัก ออกมาจากข้างนอกมันน่าจะดีใจนะเออของโศกผกมันออกมาแล้วใช่ไหมตอนอยู่ในลาไส้แล้วต้องโอ้โ ห, หน่าเกลียดน่าจะคิดอย่างนั้นแต่เราโหสบายกันปัสสาวะก็เหมือนกันสเสลดน้ําลายอยู่ข้างในทำไมชอบถั่วโยกมาโอ้โหรับไม่ได้อะไรเงี้ยเห็นไหมจริงๆถ้าจะรังเกียจก็ต้องรังเกียจทั้งหมดสิอยู่ในลาไส้ก็มีนี่เห็นไหมอุจจาระปัสสาวะ มันมันจอตลอดเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันมันย่อยไปแล้วไปเป็นสีเหลืองๆอยู่ในอยู่ในลาไส้เนี่ยใช่ไหมล่ะพร้อมที่แตกออกมาผักออกมาปัสสาวะเต็มกระเทาะปัสสาวะอยู่เนี่ยแทมที่จะผักออกมาของเหม็นทั้งนั้นแล้วทําไมไม่สีเสีมันอ่นมนะมันอยู่ในกายได้แท้ๆพอหลุดมากันเนอะอู้ยทําท่าสีสีโอ้ทท น, อนี่ฉันเข้าใจมันแบบนี้ เห็นไหมหนูก็เคยผ่าร่างกายมนุษย์เคยไหมเนี่ยแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมล่ะในลำไส้เป็นอย่างนั้นไหมมีอุจจาระมีไขมันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลือง ม, มีดีมีเสลตเหงื่อมันข้นน้ำตาปเปลวมันน้ำลายน้ำปัสสาวะแต่ไม่หมดของไม่สะอาดในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อเาไม่เห็นมีของดีอะไรเลยเห็นไมละ่ะ แต่เราเข้าใจมันเราจะไม่ติดมันเจะไม่ยินดีกับมันแล้วจะเข้าใจชีวิตโอ้มันเป็นอย่างนี้แหละอย่างคนคนนี้ยเมื่อไหรก็โกรธเมื่อไหรก็โกรธก็โกรธมันก็สร้างทุกข์ให้กับตัวเองไม่เห็นต้องไปกังวลเลยรู้แล้วก็ชื่นใจที่พระพุทธเจ้าบอกความจริงที่เราคิดเป็นบางทีนั่น จะมีความสุขนะหนูลองนั่งดูที่นั่งธรรมดาอย่างนี้เนะี่ยแล้วหายใจเข้าแล้วเขาค่อยๆเป่าลมออกทั้งปากเป่าออกให้หมดให้ท้องยุบลงไปหยุดนิดนึงก็หายใจเข้าทั้งจมูกลึกๆหายใจเข้าจิตเบิกบานทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําจิตให้พงเบาก็เป่าลมออก ทำจิตให้เบิก บ, บานหายใจเข้าทำจิตให้ปร่มเบาหายใจออกเป่าลมออกหายใจให้ลึกเลยเนะี่ยแลค่อยๆเป่าออกให้หมดเลยเนะยเนี่ยนั่งหายใจเข้าเป่าลมออกอย่างนี้โอ้มีความสุขมากเลยทำจิตให้เบิก บ, บานเลยเนะได้ในความดีที่เราทำมาทั้งหมดและในขณะนี้ก็ทำจิตให้เป็นสมาธิทำปรับใจปรับร่างกายให้สบายสบาย ทำจิจให้เบิกบานหายใจเข้าลึกๆวาหายใจเข้าให้ท้องเลยให้ถึงท้องเลยนะให้ท้องมันค่อยๆพองขึ้นมาปุ๊บหยุดหน่อยแล้วเป่าลมออกให้ท้องมันยุบลงเลยนะ จิตให้เบิกบานให้ปโปรง่งให้โล่งให้เบาดีนะหายใจเข้าให้ลึกๆให้สุดแล้วหยุดนิดนึงก็ค่อยๆเป่าลมออกตรงปากเป่าให้หมดเลยนะเอาของเสียออกปุ๊บทำจิตให้เบิกบานดู โอเคไหูหายใจสั้นหายใจไม่ลึกหายใจไม่ถึงท้องไม่ดีจะทำให้มุนที่สามได้ต้องฝึกหายใจให้ลึกหายใจกฝึก หนูหายใจได้แค่นี้ไม่ถึงท้องใช้พลังปอดไม่เต็มที่ใช้ได้แค่สี่สิบปอต้องแล้วจะเป็นคนที่สมาธิสัน้นอยู่นิ่งไม่ได้ต้องคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอด <c oughs> มันดักเข้าดักเข้ามันค้างไมฝึกฝึกให้คิดหนูได้แต่แนวลาก หนูไม่ได้แนวดิ่งหนูคิดลึกไม่ค่อยได้คิดแนวราบได้ที่ไปเรื่อยๆไปทั่วนี่ยถ้าคิดแนวดิ่งนม่มันต้องฝึกหายใจใหายใจให้เล็กนะติ๊งเงี้องดหายมันให้ถึงท้องทีมันค่อยๆเป่าลมออกหน้าปากทีเป่าออก หายใจเข้าติดแลวเลยหายใจออกเป่าทั้งปากเป่าออกเป่าทำไมท้องไม่ยุบอะเ ป, าเป่าเป่าแรงๆได้ไหมแล้วเตี๋ยวทางนี้ดิอเอ้ยนะี่ถึงลวถึงละเอ้ยนะี่ เริ่มถึงแล้วเริ่มถึงแล้วฮะปิไปวิ่งเปิดจะหน่อย <Huh? S 2> น, น, นั่นต้องทำให้หายใจให้ลึกอย่างเงี้ยทังที่ทำเอ้เนเี่ยไม่เป็นไ ร, เ, น เ, รเคยทำไปเรื่อย เป็นเป็นคนที่หายใจสั้นเกินไปสั้นเกินไปไม่ดีแล้วให้มีความสุขกับการอยู่กับลมจิตเบิกบานหายใจกับจิตโปร่งเบาหายใจเคยเดินอยก ม, มือไหไม่เคยเคยทำแบบนหทํางนี้ก็ได้สุกกายสุขกา ย, กายหายใจเข้าหา่ออก สุกกายสุกกายสุกใจสุกใจปลอดภัยปลอดภัยนีย่แค่สามประโยชน์หายใจเข้าสุกกายหายใจออกก็สุกกายหรือหายใจเข้าสุกกายใส่จะออกสุกกายอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้แล้วว่าสุกใจสุขใ จ, ขใจแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัย ให้ปลอดโดยบุญที่ทํามาทั้งหมดกุศลที่ทํามาทั้งหมดคุณของพระรัตนตรัยทั้งหมดคอยเราสุกกายสุกใจปลอดภัยสุกกายสุกใจปลอดภัยนึกถึงตนเองให้สุกกายสุกใจปลอดภัยทําได้ไหมนึกถึงตนเองเอาความดีที่ทํามาทั้งหมดระลึกถึงตนเอง ดึงความดีมาใส่ตนเองดึงคําสอนพระเจ้ามาใส่ตัวเองดึงบรารมีพระเจ้ามาคุ้มครองตัวเองให้ตนเองสุขกายสุขใจแล้วก็ปลอดภัยสุขกายสุขใจแล้วก็ปลอดภัยให้จิตเกิดปีติรักตัวเองทําได้ไหมเออเนี่ยทำอย่างนี้ตลอดเลยทําให้มันรู้สึกว่าพ่อหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยปลอดภัยตัวหนูเองไงหนูไม่ค่อยปลอดภัยอันนี้ทั้งหมดเลยแต่เนี้ย ความดีทั้งหมดสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งหมดเนี่เนี่ยหลับตาลืมตาทำไปที่ไหนยืนเดินนัง่นงนอนก็สุขกายสุขใจปลอดภัยสุขกายสุขใจปลอดภัยทําให้ใจปลอดโปร่งให้ให้ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะรักตัวเองจริงๆปราถนาให้ตัวเองสุขกายสุขใจปลอดภัยจริงๆทําได้ไหมว่า คำว่าสุขกายสุกใจปลอดภัยกับคำว่าเ บ, าบิกบานเป็นสุขพ้นทุกเนี่ยคำไหนชอบที่สุดสุกกายสุใจปลอดภัยเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกอัออนไหนอันไหนโอเคเหมือนกันสุกกายสุกใจปลอดภัยกับเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกเบิกบานเป็นสุพ้นทุกเออเอานั่นีเอาคำว่าเบิกบานเป็นสุกเนี่ยมันมาจากบาลีไม่ต้องไปรู้ บาลีค oh, hey. ือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์เบิกบานต้องทําจิตใจเบิกบานจริงนะเป็นสุขพ้นทุกข์เบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์โอ้โหเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์ให้ใจตัวเองรู้สึกเบิกบานจริงๆเป็นสุขจริงๆพ้นทุกข์จริงๆ บุญกุศลที่ทำมาทั้งหมดด้วยพระราชนาไตจจมงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข้าพเจ้าก็เข้าถึงความเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์จริงๆแล้วปลอดภัยแล้วเราปลอดภัคิดตลอดขับรถไปไหนมาไหนติ้งนี้ตลอดแล้วหนูจะมีความสุขอะไรนะเบิกบานนั่นและเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์ พอแผลให้กัตัวเองจนได้จนเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วก็คิดถึงคนอยู่คอยเขาเบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่ไหมคอยแม่เบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์คอยพ่อเบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์ให้เพื่อนเบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์ให้แฟนเบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ครูอาจารย์เบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็นึกถึงตัวเองก็เบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์ไปที่ไหนเหมือนหนูถือดอกไม้ ไปแจกดอกไม้เขาแจกครับเดินไปที่ไหนเดินแจกดอกไม้เอาความเบิกบานเป็นสุขเปนทุกข์ไปแจกเขาหรือไม่อย่างงั้นก็บอกเขาได้พูดออกมาเลยขอให้เบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์นะจ๊าคุยโทรศัพท์พวกก็ขอให้คุณเบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์นะเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้เมตตาวจีกรรมคิดถึงเขาก็เป็นเมตตามนโนกรรม กระทำให้เขาโอ้ยิบขอให้เขานึกในใจว่าขอให้เขาเบิก บ, บานเป็นสุขเปนทุกข์นี่เป็นกายกรรมถ้าพูดออกมาขอให้คุณเบิก บ, บานเป็นสุขเปนทุกข์นี่เป็นวจีกรรมถ้าคิดอย่างเดียวเป็นมนโนกรรมทำให้ได้ทั้งสาทางทำตลอดเลยจะมีความสุขไหมล่ะโอ้โหไปที่ไหนสุขแกดอกไม้เขาเนี่ยเริ่มไปที่ไหนมองเห็นขับรถไปก็ เบิกบานเป็นสุขเปนทุกข์เห็นอะไรนิดสิ่งนี้จร okay ิงก um> ็เบิกบานเป็นสุขเปนทุกข์โขลนง่ายไหมปฏิบัติทําบ้านง่ายมากเลยให้เขาเอาเอาเอาความเบิกบานเอาความสุขเอาความพ้นทุกข์ให้เขาน้อมให้เขาเบิกบานน้อมให้เขาเป็นสุขน้อมให้เขา้นทุกข์คิดให้เขาเบิกบานคิดให้เขาเป็นสุขคิดให้เขาพ้นทุกข์พูดให้เขาเบิกบานพูดให้เขาเป็นสุขพูดให้เขานทุกข์ ทำให้เขาเบิกบานทำให้เขาเป็นสุขทำให้เขาพ้นทุกข์โอ้โหไปไหน้ที่ไหนโอ้โหไปที่ไหนเนี่ยแผลรัศมีออกมาจากตัวเราแผปลปล๊บโอ้โหกินบริเวณเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์โอเคไหม <laughs> อย่างเงี้ยแล้วสุขได้จริงไหมแบบนี้ไม่ต้องแผลให้พลด้วย ขอให้ท่านขอให้ท่านเบิกบานสุขเจ้าค่ะนี่ๆไหมเนี่ยๆไหเนี่ยเจก็เหมือนกันขอให้ท่า น, นาเบิกบานใหสุขบรนะโอ้เ <c oughs> โอเคแสดงที่ไหนได้เราจะริยมิตรเรา <c oughs> จะริยนตลอดลขอให้เบิกบาน <c oughs> เพราะมนุษย์เนี่ยมันมันเครียดมันเป็นทุกข์นะมันมันเครียดมันไม่เบิกบานเนี่ยมันเป็นทุกข์เห็นไหมมันไม่เป็นสุขหรอก แล้วมันก็จมอยู่กับทุกข์เราก็เลยบอกว่าขอให้คุณเบิกบานขอให้คุณเป็นสุขขอให้ค身身ุณพ้นทุกข์นะเพราะสิ่งนี้สําคัญที่สุดจําเป็นแก่ชีวิตที่สุดเพราะคุณไม่ ined, ไมเบิกบานไม่เป็นสุขไม่พ้นทุกข์นี่แหละคุณถึงเก็บปูดแล้วก็ให้ก็เลยเนี่กุศลที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยขอให้จมเกลื่อนหนุนให้เขาเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์เขาจะเบิกบานหรือไม่เบิกบานไม่เก <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> ่ยวเราได้ให้เขาแล้วเขาไม่รับเขาไม่เกี่ยวเราได้ให้แล้ว ถ้าไม่รับมันเป็นของใครงั้นเป็นของเราเถ้าเราไปด่าเขาเขาไปรับเป็นของใครเดี๋ยวโหอย่างนี้เราก็เบิกบานเป็นสุขคนทุกข์นั่นเนี่ยเข้าไปทํางานก็มองอะ เ, เห็นใครก็เบิกบานเป็นสุขคนทุกข์ขับรถไปมีคนขับรถเฉียวปุ๊บเบิกบานเป็นสุขคนทุกข์ให้เขาเบิกบานก็เป็นสุขคนทุกข์เขาคงรู้ โอ้โหหนูทำได้อย่างนี้ น, นะสุดยอดนะแล้วก็คาสุขจะเกิดที่หนูจะเกิดแล้วก็แล้วถ้าหนูทำタ ам, タ ам, タ am, ตามๆๆจนกลายเป็นอัธยาสัยมาเลยเนี่ยหนูก็จะเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากแต่ทุกวันนี้หนูทุกง่ายสุขยากเข้าใจไหมล่ะ เบิกบานเป็นสุขคนทุกข์ให้มันติดเข้าไปในใจแล้วให้ใจเราได้ความสุขจริง ๆ, ๆสุขจากอะไรสุขจากความดีสุขจากกุศลสุขจากบุญบา ร, รมีที่เราทําแล้วฝึกแล้วก็น้อมความสุขกายเบิกบานเป็นสุขคนทุกข์ให้เขาให้เกิดขึ้นกับเขาตลอดเนี่ย มันนึกถึงตนเองก็ปราถนาให้ตนเองเบิกบานปเป็ น, ป น, นปสุขเนทุกข์เบิกบานเป็นสุขเนทุกข์พอคิดถึงคนอื่นก็ให้เบิกบานขอให้เขาเบิกบานเป็นสุขเนทุกข์แผง่ายไม่เมตตาให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆให้เมตตามันออกไปจริงๆให้มันหยิบยื่นประโยชน์ไปให้เขาจริงๆเดี๋มา่อเราชอบให้ทานอยู่แล้วก็ให้เขาเบิกบานปเป็นสุขเนทุกข์ไปจากการให้เลยโอ้โหตนอลังการมาก ไม่ใช่ให้แต่ข้างนอกข้างในให้ด้วย mm hmm. ถ้าอย่างนี้ปฏิบัติธรรมมาได้เลยแล้วจะมีความสุขนั่งหายใจยเห็นไหมเบิกนังองห ล, ลับตาหายใจ ด, ดีแล้วก็บอกเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์อุศลนที่พ้นทุกข์ <Yes. S 1> นึกถึงบุญกุศลที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยเกิดนหนูในตนเองเข้าถึงความเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์ขอให้พระาราชทาไตรคุ้มครองให้หนูเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์เนี่ยชีดเงี้ยวโหเรามีพระาราชทาไตรคุ้มครองแล้วเราปลอดภัยแล้วเราเข้าถึงความสุขแล้ว เราได้เข้าถึงความสุขแล้วได้เข้าถึงความเบิกบานเข้าถึงความสุขกายสุขใจเราพ้นจากทุกภัยทั้งหลายแล้วเนาะเนี่ยจิตไม่เหลือเห็นไหมว่ามันเข้าถึงจริงๆริงไหมจิตเข้าถึงความสุขไหมจิตเบิกบานไหมเออเนี่ย น, นี่ถือว่าใช้ได้โปร่งไหมแต่นี้เออเนี่ยเลยจิตมันก็จะโปรง่งโอ้ยได้แล้วเราเพิ่งได้ความสุขวันนี้เอง แต่ก่อนมันวิ่งหาข้างนอกเนะยแต่ตอนนี้ได้แล้วได้แล้วฉะนั้นเวลายิ่งสะยิ่งทําความดีทั้งหลายความดีมันต้องเข้ามาในตัวเราได้จริงๆและเป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆและได้ความเบิกบานจริงๆเวลาเขาเห็นเราเขาจะเนี่ยเออเบิกบานจริงๆอ๋อเป็นสุขจริงๆอ๋อคนจากความทุกข์กายทุกใจจริงๆเป็นตัวจริงๆปลอดภัยนะ กีนี้หนูจะเข้าถึงความสุขได้ง่ายและปีติจะเกิดง่ายขนลุกชูชันดองแต่เข้ามันจะได้เลเรื่อยๆนีเเ่เป็นยังงี้แล้วแต่เข้าจิตมันจะเป็นสมาธิยากนะไม่ยา ก, ยยากทำไปเรื่อยๆต้องทำเลยโอเคไหมสาธุอ เ, เ อ, อิ โอ้ได้คาถาดีแล้วเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์